โครงการอุทยานธรรมบูชาคุณหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยเป็นโครงการที่พัฒนามาจากโครงการฐานยานุศน์สถานอุทยานธรรมปฏิบัติซึ่งคณะศิทยานุสิ์นำโดยพระครูคุณสารสำบันสมารชิตตมาโรอดีเจ้าอาวาสวัดป่าสตารวมได้เริ่มไว้ตั้งแต่ปีพศ2543 โดยได้เริ่มรวบรวมทุนในการก่อสร้างไว้จำนวนหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากยังขาดความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะด้านทุนทรัพย์จึงสามารถดำเนินงานได้เพียงการป ร, ปรับปรุงกุฏิของหลวงพ่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์บริคารซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จไปประมาณ 70% บัดนี้คือปีพศ2553หลวงพ่อได้มรณภาพไปแล้วเป็นเวลา10ปีเศษ จ, จึงควรที่พวกเราคณะสิทธิ์จะร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้โครงการนี้สําเร็จลุล่วงเพื่อให้เป็นแหล่งสืบสารมรดกธรรมของหลวงพ่อวัดวะภูกแก้วเป็นวัดแห่งแรกที่หลวงพ่อสร้างไว้ด้วยความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้หลวงพ่อจึงปรารบอยู่เนืองๆว่าวัดวะภูกแก้วจะเป็นที่สุดท้ายของหลวงพ่อวัดวะผูกแก้วได้รับการจารึกไว้ในคําขวัญของอําเภอสูงเนินว่าแดนธรรมะวะผูกแก้ว กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรตยิเมื่อปีพุทธศักราช2542และกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้เป็นศูนย์เผยแพร่ศิลธรรมของกรมการศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2550มีการอบรมพัฒนาจิตเยาวชนข้าราชการและภาคเอกชนต่อเนื่องมากว่า20ปีปีละกว่าหมื่นคน โครงการอุทยานธรรมบูชาคุณหลวงพ่อพุทธานิโยประกอบด้วย 1. โบกขรณีธรรมเจดีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปเหมือนขององค์หลวงพ่อ 2. องลานธรรมขนาด500ตารางเมตรในบรรยากาศ ร, ร่มรื่นท่ามกลางสวนป่าและขุนเขา 3. พิพิธภัณฑ์บริคารซึ่งแวดล้อมด้วยสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันไม้ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยพุทธและแก้วหลากหลายชนิด ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีวัดวะผู่แก้วเพื่อโครงการอุทยานธรรมบูชาคุณหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนมิตรภาพนครราชสีมาเลขที่บัญชี 666-2450-150 กรุณาส่งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์มาทางโทรศารหมายเลข 044211899เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจและอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านโครงการของมอบวัตถุมงคลซึ่งหลวงพ่อพุทธได้อธิษฐานจิตไว้ก่อนมรณะภาพผู้บริจาคตั้งแต่ 1,000 0บาทขึ้นไปจะได้รับเหรียญนววโลหารุ่นปัดชิมอธิษฐานหนึ่งองค์ซึ่งมีอยู่แค่100กว่าเหรียญเท่านั้นผู้บริจาค500บาทแต่ไม่ถึง1 0,000 บาท จะได้รับเหรียญหรือพระพง์รุ่นอื่นๆที่หลวงพ่ออธิษฐานจิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526ถึง2541ตำนานเหรียญรุ่นปัชิมอธิษฐานหลวงพ่อสั่งให้สร้างหลวงพ่อออกแบบเองอธิษฐานจิตก่อนมรณภาพประมาณสมเดือน วันหนึ่งประมาณปีพุทธศักราช 2,537 หลวงพ่อได้เรียกข้าพเจ้าเข้าไปพบและสั่งว่าไปสร้างรูปเหรียญหลวงพ่อไว้แจกเด็กๆที่มาอบรมที่วัดวะภูกแก้วเพื่อเป็นที่ระลึกข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจเราไม่เคยได้ยินหลวงพ่อสั่งให้สร้างรูปเหรียญสักทีมีแต่คนน้นคนนี้มาขออนุญาตจัดทำซึ่งท่านก็อนุญาตบ้างไม่อนุญาตบ้างข้าพเจ้าได้กราบเรียนว่าไม่เคยสร้างพระสักทีแล้วจะทาได้หรอ หลวงพ่อหยิบเหรียญรุ่นหนึ่งให้ดูแล้วบอกว่าไปทำที่เจ้านี่แหละเขาทำสวยดีจากนั้นท่านก็จัดการออกแบบให้เสร็จโดยแจกแจงรายละเอียดว่าทำรูปร่างเป็นเสมาควา่าด้านหน้าทำรูปหลวงพ่อในท่านั่งสมาธิด้านหลังมีธรรมจักรพร้อมทั้งจารึกธรรมะว่ากูเลเชษฐาปัญจายโนซึ่งแปลว่าผู้เคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เจริญ แล้วก็หยิบไม้บรรทัดมาวัดเอากว้างเท่านี้สูงเท่านี้นะข้าพเจ้าได้จัดสร้างเหรียญดังกล่าวคราวละหนึ่งหมเหรียญบ้างห้าพันเหรียญบ้างไว้แจกเด็กๆตามที่ท่านสั่งไว้หมดเมื่อไหร่ก็สร้างเพิ่มท่านก็เมตตาอธิษฐานจิตเดียวให้ทุกครั้งจนกระทั่งรุ่นสุดท้ายหมดไปเมื่อประมาณปลายปีพุทธศักราชสองพ้าข้าพเจ้าไม่กล้าสร้างเพิ่มเพราะเห็นว่าช่วงนั้นท่านอาพาธหนักแล้ว แต่ท่านอนุญาตให้ทำเพิ่มอีกข้าพเจ้าจึงตัดสินใจทำเพิ่มอีก 5,000 ันเหรียญหลวงพ่อได้เมตตาอธิษฐานจิตให้เป็นครั้งสุดท้ายประมาณเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,542 ก่อนท่านมรณภาพสเดือนหลงชื่อดรดาราวันเด่อนอุ ด, ดมผู้บันทึก